และของสัตว์โลกทั้งหลายเพราะพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญได้ปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นความจริงก็คือเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นแสงสว่างที่ทำให้พระองค์สามารถ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 ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัสรู้ทำที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นคือพระอริยสัจสีนั่นเองแล้วพอพระองค์นำเอาความจริงอันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นพอผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติจนสามารถ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 ก็คือศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดละออดูวิธีการดําเนินชีวิตของท่านวิธีการการบําเพ็ญของท่านจนทําให้ท่านได้ตัดสู้เป็นพระอาหารหันต์ตถาสมมาสามพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาคําสอนคําสั่งของท่านว่าต้องปฏิบัติอย่างไรต้องทําอย่างไรถึงจะได้มี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 เราก็จะได้มีที่พึ่งทางใจเราก็จะสามารถดับความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรม ฟ, ฟังวฟังวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติของพระอริยสงสาวกแล้วนำเอามาปฏิบัติพอปฏิบัติแล้ว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 แบกพระพุทธรูปไปกับเราแบกหนังสือไปกับเราทุกแห่งทุกขนได้ไม่สามารถแบกครูบาอาจารย์ไปกับเราได้เพราะว่าท่านไม่ได้เป็นสารณะที่พึ่งของเราท่านเป็นเพียงตัวอย่างถ้าเป็นภาพประยนตร์ก็เหมือนเหมือนกับภาพประยนตร์ตัวอย่างยังไม่ใช่เป็นภาพประยนตร์จริงภาพยนตร์จริงนี้เราต้องเสียเงินไป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 ศึกษาแล้วเราก็ต้องนำเอาสิ่งที่เราได้ศึกษาไปปฏิบัติเช่นศึกษาดูว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างไรท่านบาเพ็ญอย่างไรตอนต้นท่านก็เป็นพระราชาโอรสเป็นคาราวะาเหมือนพวกเราเป็นผู้ที่คองเรือนเป็นผู้ที่หาความสุขจากลาบยศ ส, สัรวเสริญหาความสุขจาก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 เพื่อที่จะได้มีเวลาบําเพ็ญการรักษาศีลการเจริญสมถภาวนาและการเจริญวิปัสสนาภาวนาเป้าหมายของการบวชหรือของการเป็นนักบวชโ ด, ดยอยู่แบบนักบวชก็เพื่อที่จะได้มีเวลาบําเพ็ญนั่นเองถ้าอยู่แบบคารวะก็จะติดกับกิจกรรมของคารวะ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 ยินจากนักบวชว่ามีวิธีที่จะหาความสุขที่ดีกว่าวิธีหาด้วยเงินทองเข้าของต่างๆก็คือวิธีรักษาศีจเจริสมาธิและปัญญาสมาธิก็สามารถถาภาวนาปัญญาก็วิปัสสนาภาวนาถ้าได้หยุดกิจกรรมของขาา่าวว่าหยุดการหาเงินหาทอง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 เข้ามาทำลายจิตใจนั่นเองถ้ามีสีแล้วการกระทําต่างๆนี้จะไม่เป็นทุกข์จะไม่สร้างความทุกข์ให้กัใจแล้วก็มาทําใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะหายไปแล้วเวลาออกจากความสงบมา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 เพราะเวลาจบแล้วก็ถือว่าจบเหมือนกันเริญญาที่ได้รับก็มีสิทธิทเท่าเทียมกันสามารถนำเอาไปหางานหาการได้เหมือนกันดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องเวลาอย่าไปคิดว่าเรามาทีหลังเรา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 ขึ้นไปจนกระทั่งเต็มร้อยขึ้นมาพอเต็มร้อยผลก็จะเต็มร้อยถ้ายังไม่เต็มร้อยผลจะเต็มร้อยได้อย่างไรเพราะผลเกิดจากเหตุนั่นเองจึงขอให้พวกเราจงมีความเชื่อมั่นตอบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเรา สิ่งที่เรามีนี้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้คือลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราพึ่งไดง้เป็นบางครั้งบางเวลาดับความทุกข์ได้บางอย่างบางครั้งบางเวลาแต่จะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราได้พวกเรายังมีความทุกข์รอเราอยู่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 ถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะได้ออกจากกองทุกข์ไปตามลำดับห่างจากกองทุกขไปเรื่อยๆจนในที่สุดความทุกข์ก็จะไม่สามารถส่งผลให้แก่จิตใ จ, จของพวกเราได้อีกต่อไปใจของเราก็จะอยู่ปราศจากความทุกข์อยู่กับปรมังสุขขังเท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างสาระที่พึ่งทางใจ ให้ท่านได้นำเอาไปพณิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติกไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสานิจตุสัพเพปุระตุสังกปาจันโทปนาาราโสยะถามณิโชติอราโสยะถาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวะตะวันตารายโสุขีทีคายุโกผวะอภิวาธนาสีลิศะมิจังวุธาประจายโนจัตตารธรรมะวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบ ป, ปัญหาธรรม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 ข้อ2ค่ะในในออความทิฏฐิของหนูคือความเห็นเห็นว่าการทำบ้านให้เป็นวัดนั้นเป็นสิ่งดีในทางตรงกันข้ามถ้าปกติเราใช้วัดสำหรับเปรีกวิเวกเจริญสมณะธรรมแต่ถ้าเราทำวัดให้เป็นบ้านเนี่ยหนูมองว่ามันเป็นความเสื่อมเหมือนกับหมอดที่ทำลายเม็ดข้าว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 แล้วเราก็ดูใจของเราว่าเป็นยังไงทุกหรือไม่ทุกถ้าทุกจะแสดงว่ายังไม่ผ่านถ้าไม่ทุกเก็แสดงว่าผ่านไม่เดือดร้อนตายก็ตายเจ็บก็เจ็บครับคือผมรู้สึกว่าเหมือนที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้เหมือนเหมือนหมาตัวหนึ่งครับคือร่างกายที่รู้สึกอนี้ครับก็ดีลองดูว่าเวลามันเป็นมะเร็งก็จะยังเป็นหมาตัวหนึ่งก็ได้ใช่ก็คือต้องรอให้มันเจ็บ จิงก่อนหรือแม่งก็ไปหามันนั่งให้มันเจ็บเดียวครับนั่งให้มันเจ็บเดียวแล้วปล่อยมันเจ็บไม่ต้องไปขยับสมมุติว่าเป็นมะเร็งแล้วมันเจ็บไปทั่วสะพางร่างกายก็ปล่อยมันไปอยู่กับมันไปถ้าไม่ทุกข์กับมันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะดับก็ดับไม่มีความอยากให้มันดับก็อยู่แสดงว่าเราก็ผ่านได้ครับในส่วนของความเจ็บส่วนของความตายก็ไปหาที่ไหนที่มันหวาดเสียวท้าทายต่อความเป็นความตายเดือ ดูว่าใจหวั่นไหวหรือเปล่าเช่นนั่งเครื่องบินมันจะตกหลุมอากาศมันเครื่องมันจะดับนี้ใจเราจะดับไปกับเครื่องหรือเปล่านั่นคือถ้าเรานิ่งพอเรามีเราปล่อยเราต้องมีปัญญาเราต้องเห็นว่าถ้าเราอยากจะให้มันไม่ตายเราจะทุกเนี่ยต้องเห็นอริยสั์เห็นว่าเราทุกเพราะเราไม่อยากไม่ให้มันตาย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 ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์กับเวทนาทุกข์หรือไม่ทุกข์กับความตาย ม, มันก็ไม่ใช่ว่าแค่แค่แค่กายอย่างเดียวแต่รวมถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดใช่มันก็ขันห้าไงต้องละสกาย ท, ที่ิมันก็อยู่ที่ขันห้านี่ครั บ, มรบผมจะไปลองดูครับตามนั้นต่อนมัส ก, การพระอาจารย์ครับคือผมยังมาใหม่ก็คือยังใหม่เลย เราเริ่มปฏิบัติทํำไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก็ยังสับสนอยู่ว่าก็ฟังเทศน์วันนี้ครก็ศึกษาก่อนศึกษาว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรครับแล้วเราก็ทําตามพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําทานเราก็ทําทานทําทานนี้ไม่ได้เพื่อให้ร่ำให้รวยทําทานเพื่อให้จนทาทานเพื่อไม่ให้ไปยึดไปติดไปอาศัยเงินทองเป็นสารณะเป็นที่พึ่งคือสละเงินทองไป เพื่อเราจะได้มามายึดธรรมะเป็นที่พึ่งแทนทําทานไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดหมดก็ออกบวชได้ครับเมื่อไม่มีเงินมีทองมันก็ต้องบวชเท่านั้นแล้วแล้วอีกข้อครับคอือยังสื่อธรรมะอย่างอย่างที่ห้องที่บ้านเนี่ยเรานอนอ่านอ่านหนังสือธรรมะได้ไหมหรือว่านอนฟังสื่อธรรมะได้ไหมถ้าอยู่คนถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่ทางที่ดีถ้าอยากจะได้ประโยชน์ นั่งอ่านจะดีกว่านั่งอ่านในผ้าขัดสมาธิไปเพราะถ้าเป็นธรรมะอ่านไปแล้วจิตก็สงบได้จากการอ่านถ้านอนมันมากจะหลับดวงตาท่านจึงทำหนังสือของท่านเล่มใหญ่เพื่อมาให้นอนอ่านครั บ, รบวันนี้เขียนมายาวเลยนะครับผมอาจารย์เขาถามบ่อยนะครับเพราะว่ายัางด้อยปัญญาอยู่เพราะว่ามันเพราะว่ามันยัง ปฏิบัติยังอาจจะผิดๆิดมาบ้างครับพูดันเลยหนึ่งการใส่ซองกระถินพระป่านี้สมควรไหมครับอาจารย์เพราะว่าเคยได้ยินพระบางท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเราใส่แล้วเงินที่เราไปถวาย <c oughs> ใส่ซองนี้ไปถวายพระพระรับเงินไม่ได้มันบาก แล้วก็พวกอ่าพะป่าเป็นไม้ตะดึงอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แต่ตอนนี้เป็นพ้าป่าเป็นต้นเงินเป็นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ อ, อแล้วก็ผมเพื่อนๆ เ, เ, เอาซองมาให้ผมก็ไม่กล้าใส่ครับไม่แต่ปฏิเสธไปเลยเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเท็จจริงยังไงหรือความรู้มันยังไงผมยังสงสัยอยู่ครับคือการแจกซองนี้เป็นการเรียรย์ไล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 ไปตามที่เขาพูดถึงเมือลูกศิษย์หรือจะถึงมือพระอะไรอย่างแบบนี้ครับยังสงสัยแบบนี้ถ้ามีความสงสัยเนี่ยถ้ามีความสงสัยมันก็สงสัยแบบไหนสงสัยแบบกิเลสหรือสงสัยแบบเหตุมีผล<ส>คือถ้ากิเลสก็คือไม่อยากจะทํามันก็สงสัยไปหมดไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่สงสัยแบบกิเลสสงสัยแบบว่าทํำแล้ว กลัวอ่ามันจะได้บาปมาด้วยอะไรแบบาานี้ได้ได้ยสอนมาแบบนี้ครับอ๋อ ไ, ไม่ไม่บาบหรอก<บ>าการทำการทำทานใช่เงินใส่ทองแล้วมอบให้กับวัทยวจกรของวัดที่เขาได้รับการมอบหมายจากวัดมานี้เป็นการถือว่าโอคใชไ้ได้คือสละแล้วเราไม่ต้องไปคิดอะไรเลยใช่ไหมครับไม่ต้องคิดอะไรนอกจากเราได้ข่าวมาทีหลังว่าเออวิทยวจกรผู้รับเงินนี้เอาไปแล้วเอาไปเล่นกินเหล้าเมายาไม่เอาไปให้กับพระทางวัดอย่างนี้เราก็อย่าไปใส่ ออครับผมตอนนี้เข้าใจแล้วครับข้อสองครับแม้แต่ตู้บริจาคตามวัดต่างๆท่านก็ว่าถ้าไม่มั่นใจว่าพระจะมาจัดการเงินเองหรือพระมีบัญชีเงินฝากห้ามใส่เดทถาแต่มันก็ตรวจสอบไม่ได้ครับว่าวัดนั้นจัดการเงินหรือเปล่าตอนนี้มันก็ยังสงก็ยังค้างคาใจอยู่ครับตามปกติเจ้าอาวาสเขาจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของวัดทั้งหมด ตบอยจากใครจะไปตั้งไว้เฉยๆโดยที่เจ้ า, าวาดไม่รู้ไม่ได้หรอก uh huh. เพราะฉะนั้นถ้ามีตู้บอยจากก็แสดงว่าเจ้ า, าวาดจะต้องเป็นผู้รับรู้แล้วจะต้องเป็นผู้มาคอยดูแลเก็บรักษาเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับทางวัดหอให้อ oh, hey, uh, คนที่ดูแลทีหนึ่งรับ <c oughs> น, นมั่นใจได้ว่าถ้ายึดตั้งอยู่ในวัดนี้พระต้องรู้เรื่องแล้วก็แล้วก็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 อซีดีธรรมะของอาจารย์บางครั้งผมเปิดฟังแล้วผมทํางานไปด้วยซักผ้ารีดผ้าไปด้วยนี่ตอนนี้สมควรไหมครับหรือว่ามันต้องนั่งฟังอย่างเดียวเคารพธรรมอย่างเดียวเเรื่องความเคารพไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นประเด็นส so ําคัญประเด็นสําคัญคือประโยชน์ที่จะได้จากการฟังถ้านั่งฟังมันจะได้เต็มร้อยเพราะใจจดจ่ออยู่กับการฟังเพียงอย่างเดียว ถ้าไปทำอะไรแล้วฝั่งนี้มันจะไม่ได้เต็มรออ้อยออแต่แ ต, แต่แต่ก็ได้อยู่แต่ไม่ได้เต็มร้อยใช่ไห ม, ไมครับไม่ได้เต็มรอยอครับผมคื อ, อผมพึ่งไม่ไม่ไม่ได้ใส่บานมาประมาณแปดเกือบถึงเก้าปีเพราะว่าผมเคยศึกษา<ม>ที่วัดท่านหนึ่งไม่ขอสนทนออกน้ำนะครับว่า เพราะว่าผ้าทุกวันนี้ผ้าทุศินเราถ้าไม่สามารถตรวจสอบว่าผ้าทุสินได้ห้ามใส่และผมปกติเป็นคนที่ชอบอใส่บาตรทำบุญอยู่แล้วบางทีเห็นผ้าก็อยากใส่อย่างนี้บางทีเห็นผ้ามาต้องวิ่งหลบเพราะว่าไม่รู้จะผ้ า, าเคยใส่ประจํามไรู้จะตอบปัญหายังไงแบบนี้มันแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ว่า พระทูศีลหรือไม่ทูศีลให้ไปถามตรงๆว่าท่านรับเงินไหมท่านมีมิตรโทรศัพท์มือถืออะไรเป็นของส่วนตัวไหมผ้าเดินห้างเดินไรไหมอย่างนี้แต่ผมก็ไม่กล้าท่านบอกว่าถ้าไม่กล้าห้ามใส่ไม่แน่ใจห้ามใส่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับคือการใส่บาทนี่มันมีประโยชน์สองสองส่วนด้วยกันครับส่วนหนึ่งก็คือผู้รับพระที่จะได้รับประโยชน์จากการใส่บาทของเราครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะได้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 ทุศีลหรือไม่ทุศีลเราก็ไม่รู้เราให้ท่านไปเราก็ยังจะได้ทานบารมีครับผมาสายบานนี้ต้องถ้าดีที่สุดต้องน้อมไปเป็นของสงใช่ไหมครับน้อมไปเพื่อสงมันก็มีทั้งสองกรณีของบางอย่างก็ต้องเฉพาะตนของบางกรณีก็เป็นของสงเช่นถวายกุฏิสาราวิหารนี้ก็เป็นของสงไปครับแต่สาบานนี้ก็เป็นของส่ว น, นตัวไป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 ถ้าเราไปถวายให้กับสงแล้วสงเขาแม่เอามาแบ่งให้พระรูปนี้ที่กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อันก็จะไม่ได้ได้นักประโยชน์ครเนี่ยมันก็ต้องใช้เหตุใช้ผลวิเคราะห์ไปแต่ถ้าพูดโดยภาพโดยรวมแล้วท่านบอกว่าถวายให้กับสงนี้มีประโยชน์มากกว่าเพราะสงนี้เป็นองค์กรแต่รพระนี้เป็นบุคคล บ, บ, บุคคลคนหนึ่งตายไปองค์กรยังอยู่ได้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 เข้าใจแล้วครับหมดคำถามนะครับเดี๋ยว <c oughs> อาิ์หน้าต่อไปถ้ามีคำถามใหม่จะถามอีกครับว่ามีใครอยากจะถามอีกไหมต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณพรมนรงชัยเวลาดูกายในกายตามสติปัะฐานแล้วจิตตั้งมั่นพอสมควรเกิดอาการจุกแน่นที่หน้าอก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 พอใจนิ่งสงบแล้วพอออกจากความนิ่งมานี้ก็จะมีสมาธิที่จะสามารถพิจารณาทางปัญญาได้ต่อไปคำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟตอนนี้ลองถือศีลข้อสามเป็นอพรามจริยาเป็นปกติและศีลแปดทานมื้อเดียวสำหรับวันพ้ะเราสักสองอาทิตย์กว่าแล้วครับได้ผลพอสมควรแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันเผลอครับ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 ได้จะไม่ทำให้มารบกวนจิตใจของเราจะทำให้สามารถรักษาศีลพรปัญจัตได้คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามปัจจัยที่ทำให้คนคิดจะบวชแล้วไม่สามารถบวชได้นั้นมีปัจจัยอะไรบ้างครับโอ้ยมันก็ร้อยแปดะจะมาถามเราได้ไงต้องถามคนที่ไม่บวชดูเลย หมดคำถามแล้วค่ะหลวงพ่อมีใครยังอยากอยาถามอะไรมั้ยนี่นคือข้าวของเ าการภาวนาพุทธโธนี้เวลาหายใจเข้าต้องพุดธไหมครับหายใจออกต้องโทไหมครับหรือว่าคนละเรื่องกันที่ให้พุทธโธนี้ก็พุทธโธอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของลมหายใจไม่ไม่ต้องตามดูลมหายใจเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จ ะ, จะเจริญสติทั้งวันนี้ถ้าเป็นไปผูกอยู่กับลมด้วยมันจะยาก เอาพุโทโธไปทําอะไรก็พุโทโธไปตื่นขึ้นมาดืมตาครก็พุโทโธได้เลยจับอะไรก็พุโทโธไปเลยใช่ไหมท <ำ S 2> อะไรก็พุโทโธไปทั้งวันอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นอกจากต้องคิดเรื่องงานเรื่องการที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นครับผมเข้าใจแล้วครับอถามนิดหน่อยทั้งนั่นก็แสดงว่า อิริยาบถสำคัญน้อยกว่าพุโทโธในจิตถูกไหมครับคือแล้วแต่กรณีไงคนบางคนนี่สติแรงพอก็ดูอิริยาบถได้เลยไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้คือเป้าหมายก็คือไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารไม่ให้มีความคิดบูงแต่บางคนสติมีกําลังมากก็เฝ้าดูอิริยาบถได้เลยบางคนกําลังไม่พอก็ต้องใช้พุโทโธช่วย บริกรรมพุทโธไปด้วยคือผมแต่ก่อนอีทธยบทผมผมรู้แต่พอผมมาฟังปุ๊บผมต้องบริกรรมผมเลยกลับไปบริกรรมกลายเป็นสับสนว่าจะ อ, า อ, าอะไรกันแน่อก็กลับไปอีทธิบทอยู่กับผู้รู้ก็ได้ใช่ไห ใ, ให้สั่งแต่ว่ารไม่ให้เป้าหมายก็คือไม่ให้คิดปรุงแต่งเพือ่อจะได้ไม่ฟุ้งซ่านใจจะได้เย็นสบายและเวลานั่งใจจะรวมได้ครัเท่านั้นเองครับให้ดูที่ตัวความคิดปรุงแต่ง เราใช้อะไรก็ตามดูว่ามันหยุดความคิดปรุงแต่งได้หรือเปล่าสแสดงว่าเ <c oughs> อย่างผมปฏิบัติคับอาจารย์ถ้าผมมีสมาธิมีสติเนี่ยขันมันจะแยกแล้วก็เราก็จะพิจารณาไต่ลักษณของขันแต่ถ้าสติมันไม่มีเง่อาจารย์สแสดงว่าไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิเออแสดงว่าการที่จะเป็นตกกระแสห ร, รียบบุคลได้เนี่ยมัน ส, ะสะติต้องร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าครับหรือไม่จําเป็นก็ขั้นตอนก็คงไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ คือขั้นต้นนี่ก็พอให้มีสติที่จะทําให้จิตรวมครับสุขามสงบเป็นพักๆได้แล้วพอออกมาก็สามารถใช้สติกควบคุมความคิดให้คิดไปในทางตายรักให้ได้นั่นก็คือว่าถ้าสติมันอ่อนแอมันก็จะมันก็จะรว ม, มก็จะ ม, มจะมั่วดูอะไรไม่ออกก็ต้องมากลับมาทําสมาธิอใช่ใชครับจากให่อาจารย์ตีเป็นสมมติถ้าวันหนึ่งมี้อยเอร์เซนต์สติของโสดาบันจะต้องสักกี่เปอร์เซ็นต์จัดก็ต้องมีตลอดทั้งวันะอ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 มาพิจารณาความตายความเจ็บได้งั้นอย่าไปวัดปริมาณของสติเลยก็ดูผลของการปฏิบัติดีกว่าว่าทำให้จิตรวมได้หรือเปล่าถ้าจิตรวมได้แล้วออกมาสามารถปล่อยวางเวทนาได้หรือเปล่าปล่อยวางความตายได้หรือเปล่าขอบพระคุณมากครับอาจารย์ไม่มีใครอยากจะถามอะไรแล้วนะ